ข้างมากแ ล, แล้วก็เป็นคนเขียนทํางานแต่พอทําไปนานๆระยะหลังก็เริ่มปวดปวดหลังปวดคอปวดแขนปวดขาพอเป็นมากๆเขาก็เลยลงไปหาหมอหมอที่ว่าคือหมอกายภาพบําบัดหมอก็ให้ฝึกนะท่าบริหารกายหลายท่าเรื่องส่วนใหญ่ก็เป็นท่าที่เป็นการยืดนะเยียด แล้วก็ค้างเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นแขนไม่ว่าจะเป็นหลังไม่ว่าจะเป็นขาหรือคอก็ให้แนะนำไปนะหลายท่าแล้วก็บอกคนไข้ว่าเนี่ยให้การบริหารกายนี่มันกลมเกลืนไปกับชีวิตประจำวันนะเหมือนกับเราล้างมือก่อนกินข้าวหรือเหมือนกับเรา ดื่มน้ำหลังอาหารให้มันกลืนไปกับชีวิตประจำวันเช่นเวลานั่งก่อนที่จะลุกอ่ะก็บริหารกายสักหน่อยหรือเวลายืนแล้วจะลงมานั่งอ่ะก็บริหารยืดยืดเดียดให้มันทำไปให้กลืนไปกับชีวิตประจำวันแต่เพราะว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ย พบว่าถ้าทำตามที่หมอนแนะนำเนี่ยคือให้ทำให้มันเกลือนกับชีวิตประจาวันเนี่ยปกติไม่ค่อยได้ทำเท่าไหร่เพลินกับงานบางทีก็ลืมก็แปลว่าทั้งวันนี้ก็ไม่ค่อยได้บริหารกายหรือว่าทำตามที่หมอนแนะนำ ตอนหลังก็เปลี่ยนมาเป็นว่าเนี่ยให้ถือเป็นหน้าที่เลยนะเรื่องการบริหารกาย น, นยไม่ใช่ทำไปให้เกลื่อนกับชื่อประจําวันแต่ว่ากําหนดเลยนะว่าตอนเช้ากลางวันเย็นเนี่ยทํา จริงจังเลยนะบริหารทั้งคอแขนหลังครึ่งชั่วโมงถือว่าเป็นเรียว่าไฟบังคับเลยแล้วที่เหลือนี่ก็นึกได้เมื่อไหร่ก็ทำเช่นเวลานั่งก่อนจะลุกก็บริหารหรือว่าเวลาเดิน ทำครัวเสร็จจะลุกจะมานั่งอ่ะก็บริหารไอ้แบบนี้เป็นของเสริมแต่ว่ามีการกำหนดชัดเจนเลยนะเชา้ากลางวันเย็นพรากว่าทำได้นะคราวนี้ก็ก็ทำได้ต่อเนื่องแล้วก็สุขภาพก็ดีขึ้นก็มานึกดูนะว่าเออ ถ้าทำตอนที่หมอนแนะนำนะเราคงไปได้ไม่ไกลนะแต่พอมองก็มันเป็นหน้าที่มันก็ช่วยทำให้นะทำได้ต่อเนื่องทำได้เป็นเรื่องเป็นราวก็ทำให้นะคอแขนหลังเนี่ยก็ดีขึ้นถ้านะคนบางคนเนี่ย ถ้าบอกว่าให้ทำแบบสบายๆให้มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันเนี่ยนะกลับทำไม่ค่อยได้นะแต่พอตั้งใจทำให้ถือว่าเป็นหน้าที่หน้าที่ต่อร่างกายมีการกำหนดเวลาชัดเจนแล้วก็ทำจริงจังตามเวลาที่กำหนดมันกลับได้ผลกว่านะ คนแต่ละคนก็ก็มีที่สายต่างกันและการที่จะชักนำให้ตนเองทำอะไรเนี่ยแต่ละคนก็มีเรียกว่าอะไรเหตุผลหรือว่าแรงจูงใจที่ไม่เหมือนกันจะให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแม่จะเป็นสิ่งที่ดีบางคนถ้าบอกว่าต้องเป็นหน้าที่นะ เรากลับทำได้จริงจังนะแต่ถ้าบอกว่าทำไปเรื่อยๆทำไปสบายๆนี่กลับไปไม่ถึงไหนอย่างเรื่องการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันนะการปฏิบัติธรรมในลักษณะที่มาปลีกตัวมาปฏิบัติที่วัดหรือว่าที่สำนักกรรมฐานเนี่ย หลายคนเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยสบายใจบางทีถึงกับรู้สึกผิดนะที่ต้องทิ้งงานมาเจริญสติมาทำกรรมฐานหรือมาเข้าคอร์สเพราะว่ารู้สึกว่าเราทิ้งงานให้เพื่อนทำ ส่วนเรานีนะ่มาเหมือนกับมาสบาย ห, หลายคนเขารู้สึกแบบนี้นะเดือพ่อถ้าหากว่าต้องลางงานมาช่วงวันจาน์ถึงศุกร์เนี่ยบางทีนึกถึงงานที่ค้างคาอยู่ก็รู้สึกว่าไม่ค่อยมีความสุขหรือคอยมไม่ค่อยมีความสบายใจการมาปฏิบัติเท่าไหร่ แต่พอบอกเขาว่าเนี่ยนี่ก็เป็นงานอย่างหนึ่งนะให้การมาปฏิบัติทำนี่ก็เป็นงานอย่างหนึ่งนะเพราะมันช่วยทำให้การทำงานของเราเนี่ยไม่ว่าที่โรงพยาบาลก็ดีไม่ว่าที่าาทอ่าสนักงานก็ดีเนี่ยมันดีขึ้นมันทำให้เราทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นมันทำให้เรามีเรื่องทะเลาะเบาแวงกับคนในที่ทำงานน้อยลง พอบอกว่าเนี่ยการมาปฏิบัติธรรมก็เป็นงานอย่างหนึ่งนะถ้าหลายคนรู้สึกสบายใจแล้วก็ปฏิบัติได้อย่างเต็มที่โดยที่ไม่รู้สึกผิดไม่รู้สึกกังวลอันนี้เรียกว่าเอางานนะมาเป็นเหตุเป็นผลเอางานมาเป็นเหตุผลในการชักชวนให้มาปฏิบัติในวิธีนี้มันก็ได้ผลนะกับคนที่เรียกว่า ขยานทำงานหรือว่ามุ่งมั่นทำงานที่เเขาเรียกว่า workaholic นะ่คนแบบนี้ก็มีเยอะนะจะให้มาปฏิบัติเนี่ยก็ไม่ค่อยอยากจะมาแต่ทั้งๆ ท, ที่ทำงานแล้วก็เหนื่อยทำงานแล้วเครียดแต่ก็อยากจะยังอยากจะทำงานไปเรื่อยๆอยจะให้มาปฏิบัติเนี่ย เขารู้สึกเสียเวลาเขารู้สึกว่ามันเป็นการกินแรงเพื่อนที่ทำงานหรือเขารู้สึกว่ามันทำให้งานต่างๆที่ต้องทำนี่มันไม่ได้รับการชำระสาสางสักทีเดินตรงกลมไปก็คิดถึงงานแต่พอมาทำความ เข้าใจเสริหม่ว่าเนี่ยนี่ก็เป็นการทำงานอย่างหนึ่งนะเป็นการมาเสริมงานที่ทำอยู่ให้มันดีขึ้นนะเหมือนกับคนที่มีอาชีพนะตัดต้นไม้เลื่อยต้นไม้ไปเรื่อยๆนะบอกว่าควมเลื่อยเนี่ยนะมันเริ่มบินแล้ว ก็ต้องรู้จักจุดหยุดเพื่อที่จะมาขัดคมเลื่อยให้มันให้มันคมมันจะได้เลือ่อยไม้ได้ดีขึ้นการหยุดนี่ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะของการทํางานมาลับคมเลื่อยให้มันดีขึ้นให้มันคมขึ้นนะงานก็จะได้มีประสิทธิภาพพอคิดแบบนี้เขาก็ทําให้นะมี ชันทะในการปฏิบัติบางคนเนี่ยเป็นคนที่อาจจะชอบความรื่นเริงสนุกสนานโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยหรือสงกรานเนี่ยที่ผ่านมาก็หยุดเพื่อไปเที่ยว แต่พอมีคนมาชวนหรือว่าอาจจะมีสำนักงานทักชวนให้มาปฏิบัติในช่วงนี้ก็รู้สึกไม่พอใจรู้สึกเสียดายเวลานะวเนี่ยเวลาแบบนี้มันน่าจะไปเที่ยวมากกว่านะไม่ใช่มาลำบากอยู่กับบรรยากาศที่หงอยเหงาเพื่อมาปฏิบัติธรรม ทำไปก็นึกถึงเพื่อนๆที่เขาได้หยุดงานหรือกำลังจะหยุดงานเพื่อไปเที่ยวฉลองปีใหม่แต่พอเพื่อนๆบอกว่าเนี่ยอันนี้เป็นการมาให้รางวัลกับตัวเองนะเป็นการให้ของขวัญกับตัวเองนะเพราะว่าเราก็ทำงานมาเยอะแล้ว เราควรจะมีโอกาสได้พักบ้างแล้วก็การพักอะไรจะดีกว่าการพักใจนะการไปเที่ยวสนุกสนานนี่มันก็อย่าว่าแต่พักกายเลยนะไปแล้วก็เหนื่อยเที่ยวแล้วก็เหนื่อยเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจสู้มามาปฏิบัติไม่ได้นะมันเป็นการให้รางวัลแก่ตัวเองให้ของขวัญแก่ตัวเองพอคิงแบบนี้เข้ามก็เกิดนะเกิดชันทะเกิด ความตั้งใจที่จะปฏิบัตินะเพราะว่าเนี่ยเรามาเนี่ยมาให้ของขวัญกับตัวเองเราทำงานมาเยอะแล้วเราให้ของขวัญแก่นคนอื่นมาเยอะแล้วแทนที่จะให้ของขวัญกับตัวเองในการไปเที่ยวเรามาให้ของขวัญกับตัวเองในการมาปฏิบัติด้วยการมาพบกับความสงบสัมผัสกับความสุขที่มันาหาได้ยากดีกว่า พอเหตุผลแบบนี้หรือสร้างแรงจูงใจแบบนี้มันก็เกิดฉันทะในการปฏิบัติได้เหมือนกันนะหรือบางคนเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับตัวเองพอบอกว่าเนี่ยเรามาปฏิบัติเนี่ยนะเพื่อที่เราจะรักตัวเยอยงถูกต้องนะก็ทำให้เกิดนะความเต็มใจที่จะมาปฏิบัติ พอเห็นว่าเออถ้าเรารักตัวเองเนี่ยนะเราควรจะอยู่กับตัวเองได้อยู่ลำพังกับตัวเองก็น่าจะอยู่ได้ที่แล้วมาเนี่ยเราเวลาอยู่กับตัวเองอยู่ลำพังคนเดียวเนี่ยโอ้มันทุทกข์มันกระสับกระสายมันทุรนทุรไลเหลือเกินอย่างนี้จะเรียกว่ารักตัวเองได้อย่างไรนะไม่นำซ้ำนี่ก็ยัง ชอบหาเรื่องมาใส่ตัวด้วยการปล่อยจิตปล่อยใจให้คิดเรื่อยราบแล้วคิดไปแต่ละเรื่องแต่ละลาวก็มีแต่ทาให้เครียดเมื่อทำให้ทุกข์เมื่อทำให้เศร้าโศกเมื่อทำให้หงุดหงิดเคร่งแค้นอย่างนี้จะเรียกว่ารักตัวเองได้อย่างไงถ้ารักตัวเองนี่มันต้องอยู่กับตัวเองได้ ไม่รู้สึกเหงาไม่รู้สึกเคร่งขว้างแล้วก็รู้จักรักษาใจให้โปร่งโล่งเป็นอิสระเบาสบายที่เรามาปฏิบัติก็เพื่ออย่างนี้แหละเพื่อที่เราจะรักตัวน้ยอย่างถูกต้องไม่เอาทุกมาใส่ตัวใส่ใจแต่ตรงข้ารู้จักซ้ำรู้จักเติมความสุขให้ใจ พอคิดแบบนี้หรือว่าได้รับการบอกเล่าแบบนี้มันก็ทำให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติและพอปฏิบัติไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะพบว่าถ้าเราจะรักตัวเองนี่เราต้องรู้จักเอื้อเฟอื้อเผื่อแผ่คนอื่นด้วยนะต้องนึกถึงคนอื่นด้วยนะถ้าเรามีความเมตตากรุณามีน้ำใจต่อคนอื่นมันจึงจะเป็นการรักตัวเองถูกต้อง การักเตืเอก็มีความหมายที่กว้างขวางออกไปเริ่มต้นจากการมาปฏิบัติคนแต่ละคนก็มีเหตุผลหรือแรงจูงใจหรือสิ่งที่จะมาชวชักชวนให้ผันมาสนใจการปฏิบัตินี้แตกต่างกันออกไปและแต่ละคนก็ควรจะรู้ด้วยนะว่าเออจ ะ, จะชักชวนตัวเองอย่างไรให้มาสนใจการปฏิบัติเพราะบางทีก็รู้นาปฏิบัติมันดี แต่มารู้ด้วยด้วยเหตุด้วยผลด้วยความคิดแต่ว่าใจมันไม่น้อมหรือว่าบางทีไม่รู้จักชักชวนใจเนี่ยให้มันโน้มมาทางนี้เราก็ต้องรู้ว่าจะชักชวนตัวเองให้มาปฏิบัติอย่างตั้งใจได้อย่างไรอย่างที่บอกนะีบางคนก็ต้องชี้ชวนว่านี่มันเป็นงานนะอย่างหนึ่งนะ พอจะเห็นว่าเป็นงานอย่างหนึ่งก็เกิดความตั้งใจในการปฏิบัติหรือในอบางทีเขาบอกว่าเนี่ยมาให้ของขวัญแก่ตัวเองนะเทศการปีใหม่เนี่ยเราให้ของขวัญคนมาเยอะแล้วเราต้องรู้จักให้ของขวัญแก่ตัวเองบ้างมันก็ทําใหนะ้เกิดกําลังใจในการปฏิบัติไม่รู้สึกว่าโอ้เราพลาดโอกาสแล้วนะปีนี้ไม่ได้เที่ยวไม่ได้สรุปสันนานเหมือน ปีก่อนๆหรือเหมือนเพื่อนคนอื่นๆไม่นะ่ะมันคิดอีกแบบนึงล้ว่วาเออนี่เรามามาทำหรือมารับสิ่งดีๆมาเติมสิ่งดีๆให้กับใจมีบางคนเนี่ยเขาก็เป็นคนที่รักอิสระและต้องการเป็นตัวของตัวเองอันนี้เดี๋ยวนี้ก็มีคนรุ่นใหม่เยอะนาะที่เห็นว่าเนี่ยความเป็นตัวของตัวเองนี่เป็นเรื่องสำคัญของชีวิตเราต้องมีสระ ถ้คนที่มีใจหรือให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เนี่ยเวลาจะชวนมาปฏิบัติก็ต้องเชื่อเขาเห็นนะว่าเนี่ยให้การมาปฏิบัติเนี่ยมันการเจริญสตินี่มันทำให้เราเนี่ยเป็นตัวของตัวเอ ง, องแท้จริงคนเราจะมีอิสระได้เนี่ยก็หมายความว่ามันต้องไม่ตกเป็นทาสของสิ่งเราไม่ใช่ว่าพอเจอการกระทาหรือคำพูดของใคร ก็ปล่อยให้มามีอิทธิพลเหนือจิตใจของเราจนเกิดความโกรธเกิดความไม่พอใจนะอย่างนี้เรี ว, ว่าไม่เป็นอิสระนะหรือว่าเจอใครที่ทําตัวไม่ดีกับเราก็โกรธเขาอันนี้ก็เรียกว่าใจไม่เป็นอิสระแล้วนะเพราะว่าปล่อยให้เขาเนี่ยมามีอำนาจเหนือเรา ให้มันมีนักปราดเกลียคนหนึ่งนะเพราะผู้วันเนี่ยถ้าเราโกรธท้ายก็ตามนั่นแปลว่าเรากําลังปล่อยเขาเนี่ยเป็นเจ้านายเราเพราะาเรากําลังยอมให้เขาเนี่ยมามอีอิทธิพลรบกวนจิตใจของเราถ้าคนที่เป็นอิสระคนที่รักอิสระนะคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยย่อมไม่ปล่อยให้ความโกรธความเกลียด มาครอบครองใจพอเห็นความอิสระหรืออิสระภาพในความหมายนี้เนี่ยมันก็ทําให้เห็นคุณค่างการปฏิบัติธรรมนะเห็นคุณค่างของการเจริญสติเพราะการเจริญสติที่มันช่วยทําให้สิ่งเร้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งยั่วยุหรือสิ่งเย้ายวนเนี่ยมามีอิทธิพลต่อจิตใจของเราได้ยาก เวลาเจอสิ่งเสพที่ให้ความอร่อยนะเราก็ไม่ปล่อยใจใเป็นท่าของมันไม่หลงติดนะในสิ่งนั้นอันนี้ก็เรียกเป็นอิสระแบบหนึ่งหรือเวลามีอะไรมายั่วยุแทนที่จะโกรธใจเรากลับสงบได้อันนี้ก็ือเป็นอิสระนะที่คนเราควรจะมี แต่ว่าคนจำนวนมากนี้ไม่ค่อยตระหนักเท่าไหร่นะอิสระของเขากลับหมายความว่าจะทำอะไรก็ได้ตามใจแต่ว่าการทำอย่างนั้นมันก็กลายเป็นการทำตามอำนาจของกิเลสหรือทำตามแรงผลักดันชักจูงของสิ่งภายนอกอาจจะเป็นวัตถุสิ่งเสพหรืออจะเป็นคนก็ได้อย่างเช่นเวลาโกรธใครเนี่ยหรือเวลาเกลียดใครเนี่ยนะ คนก็ไม่ตระหนักนะว่านี้เรากาลังปล่อเขาเนี่ยมามีอํานาจเหนือจิตใจของเราเวลาทําอะไรเนี่ยก็นึกถึงเขาแม้จะนึกด้วยความโกรธด้วยความเกลียดนะแต่ว่ามันก็ทําให้เราไม่มีความสงบในจิตใจอันนี้ถ้าเกิดว่าคนตระหนักนะว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะมันจะช่วยทําให้เราเนี่ย ไม่ยอมปล่อยให้อารมณ์พวกนี้เข้ามาครอบงําใจซึ่งก็หมายถึงว่าไม่ปล่อยให้ใครเนี่ยมามีอํานาจเหนือเราจนนอนไม่รับจนความดันขึ้นในสราภาพที่แท้จริงเขื่อนนี้และการเจริญสติจะทําทให้เราเนี่ยได้เข้าถึงอิสราภาพอย่างนี้ได้โดยเพราะถ้าเจริญสติจนเกิดปัญญาชนิดที่ว่าไม่มีความยึดติดถือมั่นในสิ่งใดไม่ว่าอะไร ก็ไม่ทำให้เราทุกข์ได้ในทางตรงข้ามเนี่ยเรากับรู้จักใช้มันให้เกิดประโยชน์ด้วยปัญญาพอพูดหรืออธิบายในในแง่นี้มันก็ทำให้คนจำนวนไม่น้อยเนี่ย mm hmm. เห็นคุณค่าของการเจริญสติ mm hmm. เห็นคุณค่าของการทำกรรมฐานนะหรือที่จริงเราก็สามารถจะทักชวนนะ จิตใจของตัวเองได้ในแง่นี้นะสำหรับคนที่เห็นว่าการมีอิสระภาพเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญความเป็นตัวของตัวเองเป็นเรื่องสำคัญเรื่องนั้นก็เป็นสิ่งที่คอยเตือนใจนะว่าเวลาเราโกวธเกลียดใครเนี่ยนะนี่เรากาลังตกเป็นท่าของเขาแล้วนี่เรากาลังไปเขาเป็นนายเราหรือแม้กระทั่งอย่าว่าแต่คนเลยนะเมื่อความคิดเนี่ย ถ้าปล่อยใจไปตามความคิดหลงเชื่อความคิดทุกเรื่องอันนี้ก็แสดงว่าเราไม่เป็นอิสระแล้วนะอย่างที่พูดอยู่เสมอนะว่าเนี่ยความคิดเนี่ยเป็นเบาวที่ดีแต่เป็นนายที่เลวถ้าเราฉลาเนี่ยต้อง เ, เราต้องเป็นนายความคิดก็คือว่าไม่คิดเรไรราศนะรู้จักวาง ความคิดได้ไม่ใช่ปล่อยความคิดนี่มันลากลูถ่ถูใจของเราไปเตลิดแบบไปแบบเตลิดเปิดเปิงนะคนจนนอนไม่น้อยเนี่ยตกเป็นท่าของความคิดไม่สามารถจะหยุดความคิดได้จนนอนไม่หลับแล้วปล่อยความคิดนี่มันพาไปเตลิดเปิดเปิงมันสั่งให้ด่าก็ด่ามาสั่งให้ ซื้อก็ซื้อซื้อจนเรียกว่าเป็นหนี้เป็นสินนะก็ยังหยุดซื้อไม่ได้หรือว่ามันสั่งให้ต่อว่าด่าทอคนนั้นคนนี้ก็เชื่อมันทําตามมันอย่างนี้จะเรียกว่ามีสละได้อย่างไรนะตราบใดที่ยังปล่อยให้ความคิดเป็นนายเราไม่ต้องพูดถึงอารมณ์อื่นๆนะเช่นความโกรธความโศกความเศร้าวความเครียดคอยตอกังวล ถ้าเป็นทุกข์เพราะมันนั่นนี่ก็จะเรียกว่าเราเป็นอิสระเป็นตัวของตัวเองได้อย่างไรเนะพราะปล่อยให้มันเป็นนายเหนือเราถ้าเราอยากจะมีอิสระนี่เราต้องมีสติมันเกิดขึ้นก็เห็นมันไม่หลงเชื่อไม่พลัดเข้าไปอยู่ในอำนาจของมันถ้าพอถ้าเราอธิบายแบบนี้หรือชัก จงชักชวนตัวแบบนี้มันก็ทําให้เห็นคุณค่าของการปฏิบัตินะให้แต่ละคนเนี่ยก็ต้องรู้ว่าตัวเองมีนิสัยอย่างไรรู้แม้กระทั่งกิเลสเนี่ยมันออกไปในทางไหนแต่แทนที่จะปล่อยกิเลสเนี่ยมันมันชักพาเราไปในทางลบเราก็รู้จักชักชวนกิเลสไปในทางบวกอย่างเช่นบางคนเนี่ยชอบไม่ยอมไม่ชอบยอมแพ้ใคร พอเห็นเพื่อนเนี่ยเข้ามาปฏิบัติธรรมบางทีเขามาบวชนะสมเดือนถึงเวลาที่ตัวเองจะบวชบ้างมันเกิดใจท้อแท้หรือถึงเวลาที่ตัวเองจะ ป, ะปฏิบัติธรรมมันใจมันใจมันไม่ยอมลงให้กับการปฏิบัติแต่พอมั น, นึกว่าเนี่ยเพื่อเราทำได้เราก็ต้องทำได้สินะพอพูดอย่างนี้หรือคิดแบบนี้เข้ามันก็ทำให้เกิดความตั้งใจที่จะปฏิบัติ ไม่ให้น้อยหน้าเพื่อนหรือว่าบางทีเห็นคนอื่นก็ทำได้นะเห็นคนแก่เห็นผู้หญิงเขาทาได้ไอเราผู้ชายยังหนุ่มยังจะพ่ายแพ้หรือว่าจะท้อแท้ได้อย่างไรเราก็ต้องทำได้เหมือนกันอันนี้ก็เรียกว่าอาศัยตัวกิเลสที่เชื่อมมาณะ น, นะที่ว่าไม่ยอมแพ้ใครเนี่ยมาเป็นตัวผลักดันขับเคลื่อนให้ปฏิบัติ การที่ปล่อยให้กิเลสนี่มันพาเราไปเข้าลเข้าพ็พงเราก็ต้องรู้จักใช้กิเลสเพื่อผลักดันให้ทำสิ่งที่ดีงามไม่ว่ากิเลสนั่นจะเป็นตัวมานะะหรือว่าตัวโลภะก็ตามแต่ละคนนี่ก็ต้องรู้นิสยยัยของตัวเองนะั้นแล้วก็ถาหากว่ารู้แล้วเนี่ยก็จะหาหนทางในการชักจูงให้ใจเนี่ยมันน้อมไปสู่การปฏิบัติได้ บางทีฟังจากคนอื่นก็อาจจะไม่ดีเท่ากับว่าเราชักจูงรู้จักชักจูงใจของเราถ้าเราชักจูงใจของเราได้อย่างถูกถูกจริตจุตุนิสัยนี่มันก็พาไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องได้ไม่ใช่ปล่อยให้จริตนิสัยมันพาเราไปในทางลบไปในทางที่ตอบสนองกิเลสอย่างเดียว